ตอนนี้ไปค น, ดนใดญาติโยมไหลฟังคําแนะนําในการจเจริญสกรมฐานมเมื่อคืนนี้พูดเรื่องปีติยาวไปแต่วันนี้คงไม่พูดซ้ำเลยต้องซ้ำตรวนี้จะมั้งเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันนี้มีญาติโยมบางคนท่านถึงนยังสียมาถามมาบอกไม่เอยาถามว่าท่านดูโทรทัศน์ยังไงไม่ทราบหรืงองวิทยุโทรทัศน์ไม่ทราบหอาจจะเป็นโทรทัศน์ ว่ามีพระ ธ, ธันติใว่าปีติน่นจะเกิดขึ้นตั้งตอนถึงฌานสองความจริงตามแบบไม่ใช่แบบนั้นนะตามแบบก็ดีการปฏิบัติก็ดีปีติจะขึ้นอยู่ก่อนที่เข้าถึงผสมผสานเป็นฌานต้นแต่ยังไม่ถึงผสมผสานปีติเกิดเพราะว่าปสมผสานคือฌานที่หน่งมีองค์ห้าได้แก่วิตกวิจารปีติสุเอร์รตา อายัางใช่ไหเถ้าปีติก็ไปองค์ที่สานของฌานต้นอธิบายแค่นี้นะแต่คืพคนพูดเรื่องปีติคืนนี้ก็องไปจบเป็นเพราตอนนี้เอาที่ใบจุดเริ่มต้นไว้ก่อนจุดเริ่มต้นในการเจริญพระธรรมฐานอันดับแรกตอนต้นของบรรดาเป็นพุทธบริษัทจงเว้นอารมณ์นิวนรห้าพการให้กุญใจ มีวันห้าระการคือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรส อ, อร่อยสัมผัสระหว่างเทศข้อที่สองอารมณ์ไม่พอใจข้อที่สความง่วงข้อ4อารมณ์พุ่งสร้างเกินไปข้อที่หสงสัยในผลของการปฏิบัติเครืงความว่านี่วันมีวันห้ารายการมีวันนี้ของผู้ตามพระไตรปิฎกเลย ในพระใจพิพจดพระพทธเจ้าทรงตัดว่านิวรคือกีเลอยาที่ทำปัญญาถอยหลังนั้นการเจริญกรรมฐานจะมีผลจริงๆต้องมีคุณธรรมสามอย่างควบคู่กันเสมอกัารหนึ่งศีลสองสมาธิสามปัญญาถ้าากเราเป็นคนไร้ปัญญาการเจริญกรรมฐานจะไม่มีผลฉะนั้นของบัรดาแต่พุทุศาส์สิทิ์ที ก่อนนี้ท่านจะภาวนาอะไรทั้งหมดจงอย่าสนใจใ น, นวอนห้าแต่การวิธีไม่สนใจวีเพราะว่านิวนมันจะเป็นยังไงก็ช่างมาตังนึกถึงมันเราสนใจอย่างเดียวคือลมให้ใจเขาออกกับคําภาวนาจะภาวนาก็ได้จะพิจาจรณาก็ได้ได้สองอย่างอาการพิจารณาคืออารมณ์คิดภาวนาคือว่าภาวนาคือการจะเดินึกถึงตถาบใตรใหนึ่ง อย่างนึกถึงอาสว่าพุโทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึก่าโธโตจะนีประโตชน์ตอนนี้เรื่องภาวนาตอนนี้อารมณ์จิตของคนมีสองอย่างคือไม่ไม่ใช่เวลาเดียวกันนะบางเวลาต้องการสงบบางเวลาต้องการคิดเวลาที่จิตต้องการสงบเวลานั้นรู้ลมหายใจแล้วออกภาวนาด้วยจิตชอบใจสบายใจ บางเวลาจิตต้องการคิดถาภาวนาอารมณ์จะไม่อยู่ต้องคิดอีทีที่เราคิดตามรูปของการเจริญพระกรรมฐานจากกรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่เราคิดแล้คิดตามนั้นขณะใดที่คิดอยู่ในขอบเขตเวลานั้นเกี่ยวกัสมาธิในกองนั้นในตอนต้นของสรรดาห์่านพุทธบริสัทธ์ยึดลมหายใจเขาออกเป็นสำคัญถ้ารู้อยู่หายใจเข้าเลื่อนใจออก อย่างนี้เขาเีสมาธิในอนาปนานุติกรรมฐานถ้าใช้รำนานวก้โก้ด้วยนิจิตทรงตัวก็ถือว่ามีสมาธิในก่อนนั้นมีวันนี้ก่อนที่จะลงมาขึ้นไปหาพระท่านท่าเราให้แนะนํำมรณานุติกรรมฐานรัวกายยตานุติสองอย่างหาพระอะไรรู้ไหมถ้าพุทธบนหิ้ง เดินไปหาพระพุทขึ้นได้เปล่าได้ไหมนิดเดงขึ้นไปเพรว่าท่านแนะนําว่าวันนี้ให้พูดเรื่องกายนิทานนุตติกามาถายกับวัสุปธรรมถายควบคู่กันไปแต่พูดอย่างย่อยๆจะให้มากนะักแต่มากนะักคนจําไม่ได้ปฏิบัติไมถึงจะราําคานอันดับแรกขอพูดเรื่องมรณานุตติก่อนคําว่ามรณานุสติก มรณะในระบาตายใครรูทราบ <c oughs> อ, อนุสติแปรตามนึกถึงให้นึกถึงความตายด้วยเป็นอารมณ์เอไม่ได้แย่มั้งงอมืองอเท้าหมดไม่ทํางานทําการอยูไ่ไหมดีเลยงอมืองอเท้าไม่ทํางานทําการตายเร็วค้าชอบเพรากัดเพราะกล้ า, ามีชี้กติกุลด่ <c oughs> วยการนึกถึงความตายไม่ยิงงอมืองอเท้าให้ถือว่าความจริงคนเลือกสัตว์ก็ดีเกิดมาแล้วมันต้องสาย ถ้านึกถึงความตายไว้เป็นอารมณ์คนผู้นั้นจะไม่สะดุ้งเมื่อความตายเข้ามาถึงก็ถือว่าเป็นอารมณ์ปกติแต่การในสองเป็นเหตุเกิดความไม่ประมาณต่อไปก็นึกถึงความจริงที่พระเจ้าทรงสอนว่าคนเราตายแล้วมีสภาพไม่สนร่างกายสลายตัวจริงแต่จิตใจไม่ได้สลายตัวไปด้วย ใจิตใจท่องเที่ยวเป็นเ่อพบต่างๆตามกฎของกรรมถ้าเวลาจะตายใจิตใจคบความชั่วเป็นกรรมกรรมนี้เป็นอนุสน์คือความชั่วทางที่จิตจะไปก็คืออบายภูมิหนึ่งเกิดเป็นสัตว์นรกสองเป็นเ ป, นเปรตสามแม่สุรกายสี่เป็นสัตว์ประหลาดถ้าเวลาก่อนจะตายจิตคบอารมณ์นี้เป็นอุสลอย่างใดอย่างหนึ่ง เุดทียพึงไปอย่างต่ำก็ไปเกิดเป็นคนขั้นที่สองนะเกิดเป็นเทวดานั่นนางฟ้าขั้นที่สามได้เกิดเป็นครงขั้นที่สี่ถ้สุดท้ายถ้าจิตก็สายก็ไปนิพพานดังนั้นแม่คนเราตายจริงๆแต่าภาคของร่างกายมันตายแต่จิตใจไม่ได้ตายไปด้วยที่พูดตามภาษาต้องสือนะถ้าพูดตามภาษานักปฏิบัติเขาต้ถือว่าอาทิตย์สมาในกายไม่ตายไปด้วย คำว่าทิฏฐิมาในกายคือกายที่ไม่สามารถเห็ในได้โดยตาในเรือเป็นเราจริงๆร่างกายที่บรรดาญาโยงพุทธบรัษถทเห็นอยู่นี่ไม่ใช่ร่างกายเราจริงเป็นเรือนร่างเรือสัยของทิฏฐิมาในกายทั่วคราวเมื่อถึงมรณะมันก็พังเพียวกันเวลามังก็แก่ไปทุกวันทุกวันที่สุดมันก็พังคือกาย ร่างกายตายแล้วก็าบอกว่าตายแล้วไปเกิดที่นั่นไปเกิดที่นี่ไปสัตว์รกบ้างปเป็นเปรตบ้างดุรัสอรุรกายบ้างสติชานบ้างไปเป็นคนบ้างปเป็นเบลดาต้องพมบ้างมีปานบ้างนี่ร่างกายที่เราเห็น ม, มันไม่ได้ไปผูกทอดทิ้งอยู่แต่สิ่งที่ไปจริงๆตามภาษาหนังสือที่เรียก ว, วิจิตเมื่อทานพูดวิจิตบรรดาญาโยุทธบริษัทก็ ค, คิดว่ามันเป็นดวง แต่ความจริงส่วนที่ไปจริงไม่เกี่ยวโยงไปร่างกายของคนก็มีเท้ามีมือมีมหูมีตาแบบเนี้นี่เป็นสภาพของคนเรื่องความสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตายไปด้วยในเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตายภาคกรรมที่เป็นอกุศลให้ผลก็มีความทุกข์ภาคกรรมที่กุศลให้ผลก็มีความสุขฉะนั้นก่อนที่ร่างทำและเมื่อราคิดว่าร่างกายจะต้องตาย มันจะตายวันนี้และตายไปไหนก็ตามมันก็ต้องตายแน่นี่ก่อนที่มันจะตายเราต้องคุ้มครองกําลังกายภายในไว้ก่อนแ่งคือถ้าตายครางนี้ไม่ยอมไปอะไรภูมเป็นเท่นแรกคือไม่ยอมเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉันยอย่างเร็วที่สุดเราต้องเป็นมนุษย์แต่ถ้าเป็นมนุษย์นั่นก็ดีไม่พอต้องกลับมาทุกใหม่ อย่างรองเข้าไปเป็นเทวดาพระพรมเทวดาพระพรมขณะที่เป็นอยู่มีความสุขมากแต่ทั้งหมดพ้นวมสนาบบามีก็กลับมาทุกใหม่อย่างมีขั้นสูงสุดนิพพานและนิพพานนนเป็นความสุขที่สุดท้าความทุกข์บรรด์อารมณ์หนักใจนิดหนึ่งไม่มีในนิพพานและก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วไม่มีกายขึ้นไปไหนคืวงความตายถ้าเราคิดถึงความตายก็ต้องเตรียมไว้ สมมติว่าถ้าเราเป็นเทวดาได้เป็นพรหไม่ได้ก็เตรียมตเตรียมความเป็นมนุษย์ไว้ก่อนมนุษย์เสียธรรมจริงๆพระพุทธเจ้าทรงตรตัสว่าตา้องรักษากรรมบทสิบราการกรรมบททสิบราการนี้เป็นมนุษย์เสียธรมเพื่อทำบุคให้เป็นมนุษย์ตายจากความเป็นคนก็เป็นคนต่อไปแต่เป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบ คือหนึ่งขบวสิทางกายกรรมมีสามแต่การไม่ฆ่าสัตว์การไม่รักทรัพย์ไม่รุตกิเลสกรรมทางวางวจามีสี่คือไม่พูดปดไม่พูดไม่พูดคำหยาบไม่พูดยโยสงส่งเสริมเขาแตกรล้วกันไม่พูดวา จ, จาได้ประโยชน์ตามด้านจิตใจ ม, าา ม, มีสามมีสามไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใคร ไม่คิดประทุรายไครมีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนถ้าทรงุธรรมแล้วสิบ ร, รายการนี้ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ชาตินี้อาจจะเป็นคนเท่าชาตินี้เป็นคนชาติใหม่เป็นมนุษย์มันเหมือนกันไหมไม่เหมือนในเขียนไม่เหมือนกันนะความจริงคนกับมนุษย์จะไม่เหมือนกันคนนี่ครัแปลว่าอยู่ เวลาเมื่อศีลห้ า, ม, ามันเมากอกำหนดสิ่งนั้นก็เกิดความยุ่งเตือร้อนในชะถ้าทรงกำหนดสิทธ์ทั้งหมดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็แปลว่้คนผู้มีใจสงคือทรงคุณธรรมแต่ถ้าเนระ้คิดว่าเราจะเกิดเป็นมนุษย์เรามีแค่กำหนดสิ่งก็คงไม่ขอร่างกายเป็นมนุษย์จริงจิตใจมนุษย์จริงจะ่ทรัพย์สินมันน้อยเกินไปนะมีแต่ศีล ทัพย์สมบัติก็น้อยคุณธรรมสูงดังนั้นการเป็นมนุษในสมัยนี้อะไรมาอะไรมันดีเสื่งที่มีความสาคัญที่สุดนั่นก็คือทรัพย์ที่นั้งไหลายใครมีทรัพย์มากก็ถือว่ามีความทุกข์เป็นทรัพย์น้อยแลอในการเกิดเป็นมนต่อไปก็ต้องการมีทรัพย์มากแล้วก็บริจาคทานให้ทานแก่คนให้ทานแก่สั ต, ตว์ถวายท า, านตามสรรค์สวรจีกลา แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถวังความเป็นมหาเศรษฐีให้ถวายสังฆทานคำ ว, ว่าสงฆทานนี้ก็ไม่จำกัดต้องใช้เงินตั้งร้อยตั้งพันเสมอไปถ้าเรามีน้อยอาจจะใช้เงินแค่บาทสองบาทหรือกระตังไม่มีเลยให้ข้าวเพ็นแค่ช้อนเดียวกับเพงนิดเดียวก็ใช้ได้เพราะว่าอาริสงสังฆทานมีผลมาก ตามีองค์สมเน็กพระพุมีพระเจ้าสงตรัสว่าบุคคลใดจะไหวขึ้นทานด้วยศรัทธาแท้ในใจจริงแม้ในครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วอีกกี่ชาติเรตามต้องเกิดยังไม่ถึ ง, ถงวันที่านเพียงใดธรรมญาตจนขุนใจจะไม่มีกับบคุคคลนั้นดินแดนใดเต็มไยความขัดสนใหญ่จนในทรัพย์สินคนประเภทนี้ไม่เกิดที่นั่น ถ้าดินแดนแห่งใดมีเฝวาดมสมบูรณ์คุณสวัยสถาทแล้วเกิดที่ไหนดัง น, นั้นก่อนที่เราจะตายคุคิดว่าถ้าบังเอิญต้องเกิดใหม่เราไม่ต้องการความยากจนขินใจก็ให้ทานให้ไทยเกษตรเมนุสงน้อยหน่อยก็คนให้ให้ไทยเกษตรที่ขาดสิ่งขาดทำระบบเครื่องในสิงที่ทำก็เมนุสง่น้อยหน่อยกคนให้เยสสวายไทยจะพระสงฆ์ก็เป็นคน บ, บคนุคคล ผลสูงก็น้อยเพียงนิดแต่ก็ควรให้ให้กระบวนการป้องกันแต่ส่วนใหญ่จริงๆที่เราจําควรเป็นสังฆทานเพราะสังฆทานนี่แม้จะมีผลน้อยจริงแต่จะมีปริมาณน้อยจริงแต่จะว่าให้ผลสูงมากคนที่จะไหวสังฆทานทุกคนตายใหญ่ชาตินี้แล้วไปเกิดเป็นคนใหม่ต้องเป็นมหาเศรษฐีสิเกณฑ์บัคับนะ่แต่ว่าถ้านไหวาการสังนทานนี่หนักมาก มีกฎบังคับเลยว่าถ้าถวายกษติน์ทานแล้วตายแตกความเป็นคนไปนเกิดเป็นคนใหม่ถ้าไปเกิดเป็นคนใหม่ต้องเป็นมหาเสด็จี่ห้าร้อยชา ต, ติมันแย่นะถ้าคนห้าร้อยชาติแล้วต้องไปอนุกเสด็จที่ห้าร้อยชาติ พ, นพนอนุพอนุเสด็จแล้วต้องไปฆ่าบุรีห้าร้อยชาติมันจะแย่นะรวยอ่นไปเลย <c oughs> <c oughs> แลว้วก็อยากรวยนะช่างมั้ อา น, นเหน็ดเหนื่อยเพราะความ้อนช่งางของมันนะออแต่ว่าอดิตสง่ะถินที่จริงท่านบังคับว่าถ้าตายตายจากความมีนคนแล้วต้องเกิดจิตวนดาห้าร้อยครั้งเดาหรือผมก็ตามถ้าถึงเวลาจุดติจุดติแลอวเกิดใหม่แบบนั้นตลอดไปห้าร้อยครั้งยัง <c oughs> ไงยังไม่ไปไหนอยู่แค่นั้นนหละถ้าเราถ้า ไ, ไปนี่พานได้เราไปก็ไม่หันก็ลงไม่ได้ ถ้าบุนยอนจากเทวดาต้องเกิดเป็นพระเ จ, าจากก้าจักรพรรดิปกครองโลกอีกห้าร้อยชาติพอเขาผ่าร้อยชาติบุญยอนลงมาก็เกิดเป็นเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติแล้วก็เป็นอาวดีร์ห้าร้อยชาติแลวแนลกเษฐีห้าร้ยชาติอาวดีร์ห้าร้อยชาติเนี่ยอาก า, าส อ, อาธิสงอธิเนี่ยบังคับเลยนะเขาว่าบังคับไมาว่าต้องเป็นอย่างนั้นในช่วงนั้นจะลงนรกไม่ได้ ไปไปจะผูกไมนได้ก็ดีเหมือนกันนะการตสงไว้ก่อนใช่ไหมมิโลความถ้าเราคิดไปาจะเป็นมนุษย์ต่อไปทันานก็วิายามรักษาก็หมดสิบ mm. ตั้งใจความน้ำหนวยก็บริจากทางทางส่วนให้เลือกออกแบบไหนก็ตามใจมีความมีอายุยืนนานก็มีให้กระหมดสิบและปานาธิบาตเว้นได้จะเป็นคนที่มีโรคน้อยมีอายุยืนนานรูปร่างสวย การนาทานเว้นได้ทรัพยสมบัติไม่ถูกโดนป้นไม่ถูกไฟไม่ไม่ถูกนั่นพวกไม่ถูกลงพัดเสพทางการเมืองคุณท้าจารย์เว้นได้คนในปกครองว่าง่ายส่วนง่ายไม่เดืได้ดินต่างกายทางวาจาไม่ขูดปดไม่ขุดคำหยาบไม่ขูดส่อสิทธิ์้าแต่กันนั้นพูดเพอเยื่อล้วไหล่เกิดไปใหม่จะมีวาจาไปคิดได่ไหมายความพูดอะไรก็ตามคนชอบฟังอยากฟองอยากฟังคําพูด เพื่อว่าคำสุดมูกค่าถ้า ต, ต่อไปถ้าอีกใจจะอายก็หมายว่าเราละเว้นจากการไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครไม่คิดว่าจะลายไข่ขมีความเห็นตรงอย่างนี้เจียรติสอาดบริสุทธิ์ตัวความมีกำหนดสิทกรรมทางกรรมอากครบคนบริบูเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มีความสุขมากแต่ได้เห็นว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์ไม่ดีดีนม่พอเราต้องการเมีกิวดา ถ้าต้องการเป็นเดือดาในคุณธรรมเขาบุคคลนเบื้องรมดา ม, มีสองอย่างเรืองธรรมะและเทวธรรมนั่นคือฮีริโตสปะคือตั้งใจเป็นธรรมดาและเป็นนางฟ้าก็มีคุณธรรมสองอย่างฮีริไยความชั่วโอสปะเป็นตัวผลววความชั่วไม่ทําความชั่วทั้งที่รับกระสแจ้งถ้าต้องการเป็นทรง ก็ใช้กรรานกองใดกองหนึ่งเป็นอารมณ์เป็นฌานอย่างพุทโธกิ่รรฐานที่เราชอบให้ตั้งใจจักพระรูประสงพระองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ากดีเติเลึกถึงรรูปองค์ใดอหนดีเป็นฌานคาว่าฌานหมายถึงจิตทรงตัวไม่เพียงภาพพระุทโธงคเห็นไมกเห็นจิเห็นจิทร ง, ง, งตัวได้สองนาทีบปดสานาทีแปดห้า น, นาทีแาง โดยตั้งเวลานั้นจิตมไม่ดีกังวลไม่ว่าใครสามารถจับภาพได้จะชาหรือเลโกตานือว่าจิตเป็นชานถ้าก่อนที่จะตายทีาอารมณ์ทรงชานแบบนี้จิตพิดผึงภาพพระพุทธรูปโกาตานพระสงฆ์โกตานไปอย่างใดกันนึ่งนันโกตานในกรรมฐานชีวิจิตทรงโตกรรมฐานนั้นผิ ว, ว่าตทรงชานตายเท่านั้นไปวินตรงถ้าบป็นดาแต่พุทธบริษัทธรรมะเป็นเทวดาขอดีเป็นขอดียังมีทุกข์ต่อไปในวันหน้า ต้องการนิพพานอันนี้ต้องใช้กายนุตตาลุสติกำถัยพวกเนื้วันลงไม่ได้ไปก็ได้อน่ยไม่ใช่ไปเสี่ยงบางหลังเห๋ือพูดไปพึ่มาในท่านจะลงยังไงท่านเนี่ย่ตรงความว่าถ้าต้องการนิพพานให้ใช้มนนาลุติกำถัยกายยุติยตานุสติควบวรณาลุสติกำถัยคิดารกายจะตายถ้าเป็นสมถะภรณาคิดแรกายจะตาย ถาเป็นมิจฉาสนานาชีวสาร่างกายไม่ใช่เราไม่้องเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราสาระกายเป็นเราจริงมันของเราจริงมันต้องไม่แก่เราไม่ต้องการให้ม่แก่มันต้องไม่แก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยมันต้องไม่ป่วยเราไม่ต้องการให้มันตายต้องไม่ตายก็มันเป็นของเราเราก็มาคับได้เอาถึงวาระร่างกายจะแก่เราคับไม่ได้มันจะแก่ตามสภาพของมัน ถึงวาระที่จะป่วยเราห้ามป่วยไม่ได้เพรามันป่วยตามสภาพของมันถึงเวลาที่จะตายเราไม่ห้ามไม่ได้เพราะต้องตายตามสภาพของมันแสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงมันมีอิสระสําหรับมันและเมื่อเราบังคับมันได้เราต้องยอมรับแลาถือตามความจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่ใช่เราเราเกิดที่สมารในกายคือจิตที่สิงที่จิตอยู่ภายใน รา่างกายเป็นแค่เปลือกอันดับอาศัยทั่วคราวเท่า น, นั้นสมการยะดาษปกตินั้นี่เป็นวิปัติสัญญาณอันนี้เป็นสม ก, กายที่สิ่งต่อมาสมก า, ยยกามกรที่ทำตเก็บว่ารา่างกายทั้งนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี้ก็ต้องอาศัยมันอันดับแรกรา่างกายจริงๆมันไม่ใช่แท่งพึกนมันมีอาการแบบที่สองมีก ล, ลุ่มอนุรันหนังเนือเป็นต้น สภาวะของมันเต็มด้วยความสุรกระโขกสโคกอริเวะสุปธรรมฐานมันไม่มีความดีไม่น้ำเลือดน้ำเดินน้ำหนองอจารปัสสาวะไปต้นมีแต่ความสุลาหลตลอดเวลาในเมื่อสุขกระกแร้ยังไม่พอยังมีความไม่เที่ยงไอตัวนี้เป็นวิปัสนาญาณมันหาความเที่ยงไม่ได้เกิดกันแ้วมีความเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำข้ามกางตั้งแต่สายเมื่อในสุด กรณีความเราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกต่อไปตัวนี้เป็นส ก, กายยุทธิกิจเป็นวิปัสนาการตัวนัวนกันจะบราา ร, ans, ร, บรลุมรรคผลไม่ได้จ้ไม่ได้มีตัวนี้ถ้ามีาาาความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นไม่ใช่เราไม่ชของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีเราอย่างนี้เป็นสกายยุทธิกิจตัดสกายยุทธิกิจนะเห็นว่าร่างกายมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตา ตอนนี <Cornell. S 2> ้เป็นไตร่างกายร่างกายที่มีอยู่เป็นปัจจัยเกิดความทุกข์ความหิวที่เกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยร่างกายเป็นเอยงความหนาวความร้อนกระจามที่มีอยู่ได้ขึ้นมามีขึ้นมาได้เพราะอาศัยร่างกายเป็นเอยงการป่วยไข้ลำบายที่เกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยร่างกายเป็นเพยก็รดึงความตายเนีเข้ามาถึงเพราะอาศัยร่างกายเป็นเพียง ต้งหลายทั้งหลกเกิดวันนี้เพระอาศัยมีร่างกายตัวนี้คื็อริยสัตว์ข้อต้นกุปริยสัตว์นะกตรงความว่าถ้าเราต้องกาปรปณิาพานจริงๆกิจ ท, ที่เราจะต้องพึงตัดจริงๆคือสกายาติสิตัวเดียวสยยังยดมีสิครุจิณณ์แต่ว่าเวลาตัดจริงๆมีตัวเดียวแตัดเฉพาะข้อแรกตามที่บริษาทิบุตรกล่าวกรรดาพระทั้งหลายที่เข้าไปอยู่ป่า มีครั้งหนึ่ ง, งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทร ง, งชีวิตยอยู่เวลานั้นพระบทใหม่จะมีเสื่องควาเมเรื่องใสายในองค์สมเด็จพระประมครูฟังเทศจบและเรื่องใสขอบวทเมื่อบทแล้วก็ศึกษาเจ้าองค์สมเด็จพระปฏิแกวศึกษากระบวนฐานพระพุทธเจ้าก็สอนเราเรื้องต้นยันอรหันต์โดยย่อเมื่อพระผู้นั้นเข้าใจแล้วก็ลาพระพุทธเจ้าอยากจะเข้าไปลงป่า พระเจ้าทรงทราบว่าพระผู้นี้ถ้าไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรจะพูดไปอย่างไงคึพระอรหันต์นี้ไปต้องนัดหมายแต่พระพธเจ้าทรกําลังใจท่านก็นถามว่าพิเกวีดูกรพ่สุทโธไหลเคยจะเข้าไปอยู่ป่าเวลาพระสารีบุตรแล้วอย่างพระอั์ยังมุติียวกันพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอจะไปอยู่ป่าต้องเวลาสารีบุตรก่อน คราพวกนั้นก็นลาองค์พระฤาษนวมั น, นเสร็จไปเข้าไปเยี่ยมมาสมหาภาษาญบุตรพอไปถึงภาษาญิบุรก็กราบเรียนว่าเก้ากับผมทั้งหมดแจะขอไปอยู่ฝาพเพื่อเจริญสมณธรรมหวังผลไปพ ร, ระสารพระสารีิบุตรกระถามว่าพูกเธอจะเข้าไปอยู่ฝาเธอมีความเข้าใจในการปฏิบอดถามเป็นประกา ร, รเราะการมัถามเป็นแบบการใดเธอทั้งหลายก็กล่าวว่าองค์พระฤาษีจอมใจ ต, ตัดแล้ว แต่ข้าพเจ้าแต่หลายยังสงสัยเวลานี้พวกผมทั้งหมดยังเป็นกุฏิชนถ้าจะปฏิบัติตนเรื่องความเป็นบรรโสโดาบันจะทอย่ายงไงครับอาจารย์สารบุตรกบอกว่าถ้าต้องการเป็นบระโสดาบันให้พิจารณากันห้าคือรูปพิจารณาสัญญาสัญขนัน ญ, ญาในกรร่างกายว่าพิจารณาตามความเหียวว่าร่างกายที่มันไม่ใช่เราไป็นสิ่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ร่างกายเป็นเรือนร่างเาี่ยมใสทุกข่าวไม่ช้าก็ฟังไม่ช้าก็ตายถ้าจิตใจของเธอสละได้นิดหน่อยปล่อยที่นิดน้อยไม่มากนัดอารม์ก็เท่าถึงมะโสดาบันแม้กวามหมายความเมื่อเรไม่คงคือหนึ่งว่าร่างกายจะต้องตายสองมีความเชื่อในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามมีศีลบริสุดิสี่จิตวังบริสัท เคยจิตฝังนิพพานระร่างกายไม่ใช่เราเป็นเพราใจจริงเราไปอยูก่กับมันไม่ได้ไม่ใช่เราไปนิพพานดี ก, กว่าอาจารยก็ถามต่อไปว่าถ้าผมเป็นมโสดาบันแล้วต้องการจะพิสิกธาทารวีจะ ท, ทำยังไงอาชาติบุตรก็บอกว่าพิจารณาแบบนั้นนะถ้าจิตมันปักกิเลสมากขึ้นไปกว่านั้นเราถ้าสามารถบรรเทาความรักบรรเทาความโลภบรรเทาความหลงมันยังมีอยู่ แต่ว่ามันมีเป็นมากกําลังใจตกอ่อนลงไปมีลมน้อยน้อยขึ้นในใจอย่างนี้เที่ยวปพระพิชิตาคารมีต่อไปพระก็ถามว่าในว่าผมเป็นพระพิชิตาคามีแล้วต้องการแสนาคามีจะทำไงแต่พอพิจารณาร่างกายแตกั้นเห็นแต่ว่าเห็นว่าร่างกายเป็นมีความสุขสนุกโคลนตั้งทั้งที่มันไม่ใช่เราไปสึงพวกเราออจึงได้แต่ว่าเราต้องอาศัยมัน แต่เมื่อเราอาใสยไม่ก็ต้องสาดตามกันจริงพราะมันไม่สะอาดมาเต็มด้วยความสงกแล้วถ้ามีความเบื่อหล่ายร่างกายอย่างนี้ก็เป็นพระนาค า, า, ามิพระกระานาสาริบตุตว่าเมื่อผมเป็นพอนาคามีได้จากในระหัรมได้ยังไงให้ พ, พิาจารณากัรห้าตัวเดียวกันแหละพิจารณาไปยุ่งเรืงความเบื่อหน่ายก็เกิดถึงที่สุดจนถ้าจิตหลุดบางเฉยไม่ต้องการร่างกายต่อไปอีกอย่างนี้เป็นภาระ ถ้าคนนั้นก็ถามต่อไปว่าถ้าเป็นอรันนั้นไม่ต้องทําอะไรหรือ <Yeah. S 1> โลกทีกเกศจะมีนะ mm hmm. เป็นอรัอนอรัั้นไม่ต้องทําอะไรต่อไปใช่ไหมประสันบุตของไม่ใช่ mm hmm. ถ้าเป็นอรันนั้นก็จะ่างที่เจรณาต่อไปเพื่อความประโยชน์สู mm hmm. งซึ่งขงพันดาแทนพุทธบริษัทถ้าต้องการไปนิพพานให้จับร่างกายเป็นสําคัญ ถึงแต่ความเป็นจริงของร่างกายว่ากายคตาตัวติอว่าร่างกายไม่ใช่แต่งทึกเมฆกลางส่ว ส, ส, ส, สองมีของคนเล็กปันหนังในเป็นต้นบัวกาสุภะกายบัณฑว่าร่างกายจึงมีความสุขโสงโบอย่างนี้แปรลมของพระอกานามธรมีต่อไปก็มีความรู้สึกต่างความเป็นจริงว่าร่างกายนี้สุขสงบก็ปปรจริงแหละแต่ว่าต่อไปมันต้องผัง ร่างกายอย่างนี้ถ้ามีต่อไปก็มันต้องมีความทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการร่างกายชนนี้อีกเราะถ้าจิตใจวางถึงใ น, นร่างกายมันจะแก่ก็ถึงแก่มันจะป่วยก็จนป่วยการป่วยมีทุกขเวทนาต้องรักษาแต่เวลารักษาก็จิตใจที่ว่าทํานันถึงวาระจะพังจริงๆก็ชังมันทังอะไรก็ปฏิพานธ์นั้นจิตใจวางถึงนนใงง น, นร่างกาย เรความว่าไม่หวั่นไหวในการป่วยไข้ไม่สบายไม่หวั่นไหวในไม่หวั่นไหวในความตายแต่ว่าได้เห็นร่างกายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่แก่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันป่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันจะตายก็เป็นธรรมดาก็เหมันอีกใจที่ว่าถ้าตายเมื่อไรก็ปฏิภาณมันนั่นที่ก็มีความเป็นสุวอย่างนี้เป็นอารณ์ขอรหัรนต์ในวันนี้ขบรนดาเจ้าพุทธบริสุทธิ์ ท, ท่าน เราขออย่าลืมตอนต้นวาในตอนต้นอย่าลืมอนาปานุสิธมรมทานกระดรูล้ลมหายใจก็ออกมีความสำคัญมากเ พ, กพื่อเป็นการงานความผูงใสของจิตต่อไปก็ใช่คำภาวนาตามใจชอบสาหรับญาติโยมพุทธบริษัทที่ไม่เคยฝึกมาก่อนให้ใช้คำาวนาว่าพุทโธห้ใจเข้าในวดุพุทธใจออกใ น, นวนพโพธ อันหนักใายรรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่รู้คำบรรณาอยู่ขณะนั่นยืดจิตสมาธิสําหรับบรรดาแต่พุทธบริสัตวที่มีความจำนานแล้วหวังวิ่ได้ไปให้จักกายกตาต้อติเป็นสาคัญเว่าร่างกายไม่แข่งเป็นแท็งทิศไปคิ ด, เ ป, ค ด, เ, ปคดเป็นอันแล้วก็มีความสงบเป็นพื้นฐานในสุด น, นักพันเพื่อจะยืร่างกายเร็วๆอย่างนี้จะขอมีชาติทิ้งด้านสุดท้ายไม่ต้องการต่อไปอีกในชาติห น, น้า ยุบกายเกิดเป็นคนก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นกองก็ดีไม่มีสำหรับเราเราต้องการขขอนกพันธ์หลังจากนั้น ก, ก็เอาจับอนิพันธ์เป็นอารมณ์พระที่บอกอุตมานุติสมถานถ้าจาับอนิพันธ์แล้วจะภาวนาเป็นยังไงก็ได้หรือร้องการภรวนาตรงอันนภ า, า, า, า, า, าวนาวนิพพานสุขขงังถ้าทำนิพพานสุขขังไม่ท่ากิจทรงอารมณ์เป็นฌานเวลาใกล้จะตายจริงๆคำบรรลังแบบนี้ทรงใจขึ้นมา คิดว่าพระนิพเานเนสุกิตียังเราต้องการในกานเพียรท น, นี้บรรดาเจะพูดบริษัทถ้าตายเท่านั้นหวังนิพ่านทันทีตอนนี้ไปชุนราจะพูดโบริษัทเป็นหลายตั้งใจะมาธยากรามฐานสมาธิ